สนใจธรรมะหรือว่านักปฏิบัติธรรมหลายคนนะเมื่อได้ทำไปสักระยะหนึ่งก็มีคำถามว่าทำยังไงนะจึงจะได้ผลเร็วทำยังไงถึงจะหมดทุกข์ไวๆหรือบางทีเวลาทำสมาธนะิก็มีคำถามว่าทำงางไงถึงจะใจจะสงบได้เร็วเวลาจเจริญสตินะ ก็อยากให้มีสติไวๆมีความรู้สึกตัวเร็วๆอนี่เป็นคำถามอยู่ในใจของหลายคนยิ่งถ้าเกิดรู้ว่ามีทางลัดก็ยิ่งอยากจะรู้ว่าทางนั้นคือทางอะไรที่จริงเนี่ยการภาวนาเนี่ยมันก็เป็นทางลัดอยู่แล้วนะ เป็นวิธีการปฏิบัติที่ให้ผลเร็วให้ผลไวนะเมื่อเทียบกับการปฏิบัติอย่างอื่นเช่นการให้ทานหรือว่าการรักษาศีลนะการให้ทานบางคนก็ขยันให้ทานนะแต่ว่าผลเรื่องนที่สงเนี่ยนะมันโดยเฉพาะในเรื่องของจิตใจเนี่ยมันน้อยกว่า ให้ผลช้ากว่าการภาวนาอย่างในพระไตรปิฎกเนี่ยมีข้อความหนึ่งเนี่ยท่านพูดไว้ชัดเลยาการจเจริญเมตตาจิตชั่วสตดดมกลิ่นหอมมีผลมากกว่ า, าการสมาทานสิกขาบทหรือการถือศีลรักษาศีล มากกว่าความเรื่มใสในพระตนะไตรก็มากกว่าแม้กระทั่งการถวายทานแก่สงฆ์ที่มีพระพทธเจ้าเป็นประธานโอ้การถวายทานแก่สงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานนี่ก็ถือว่ามีอ น, นิสงส์มากนะแต่ท่านก็ว่าเนี่ยสู้จเจริญเมตตาจิตชั่วสุดดวงกลิ่นหอมไม่ได้อันนี้กที่นึน่บอกเนี่ย การเจริญอันที่จะสัญญาเนี่ยชั่วลันิ้วมือเดียวเนี่ยมีผลมากกว่าการถวายทานแก่พระอารหันต์ถึงร้อยรูปมากกว่าการถวายทานแก่พระพุทธเจ้าหรือมากกว่าการถวายทานแก่สงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานด้วยซ้ำถ้าผลมากกว่าเนี่ยนะก็คงจะหมายถึงผลในการขัดเกลาจิตใจ เวลาเราพูดถึงอนิสง์ของการถวายทาหรือการทำบุญเนี่ยนะเราก็จะนึกถึงผลที่เป็นที่อำนวยให้เกิดอายุวันน่าสุขาภะหรือว่าลาบดศสุขสารเสริญแต่ว่าเรามักจะมองข้ามนะผลต่อจิตใจ ือเพราะการขัดเกลาจิตใจให้ผ่องใสแทนที่จะได้ลาบได้ยศได้สุขได้สารเสวนก็กลายเป็นการลดการละ้าการเจริญภาวนาเนี่ยเช่นการเจริญเมตตาจิตเนี่ยมันให้ผลมากตรงที่มันช่วยลดช่วยละความโกรธ ความเกลียดที่เป็นเรื่องสร้างความเศร้าหมองให้กับจิตที่ว่าการภาวนานเนี่ยให้ผลมากกว่าก็ตรงนี้แหละมากกว่าการให้ทานก็ตรงที่มันช่วยลดช่วยละจะเลยเมตตาจิตก็ช่วยลดช่วยละความโกรธช่วยชำระจิตใจให้หายหมนหมอง ยิงการเจริญอนที่จะสัญญาเนี่ยหรือการพิจารณาเห็นถึงความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆไม่ว่ารูปธรรมนามทำไม่ว่าอยู่นอกตัวหรือว่าอยู่ในตัวเราเนี่ยอันท่าเจริญอันที่จสัญญาจริงๆเนี่ยมันก็จะช่วยลดช่วยละนะละความยึดติดถือมั่นในสิ่งต่างๆซึ่งอันนี้มันก็ช่วยลดช่วยละกิเลส ด, ด้วย อา น, นิสงฆ์ของการเจริญเมตตาจิตก็ดีของการเจริญอนิจจสัญญาก็ดีเนี่ยให้ที่มันมากกว่าการถวายทานแม้กระทั่งกับสงฆ์ที่มีพระ พ, พุทธเจ้าเป็นประธานเนี่ยก็เพราะตรงนี้แหละคนจะงไม่น้อยพอถวายทานพระสงฆ์โดยเพราะพระอรหันต นี่จิตมันเกิดความคิดจะได้จะเอานะอยากได้โชคอยากได้ลาบหรือหวังจะได้โชคได้ลาบนะหรือลาบยศสุขสารเสริญนะหวังอายุวันนาสุขาภละปฏิพาณถนาาสัสารสมบัติตรงนี้มันก็ผลต่อจิตใจมันจึงไม่เท่านะเทียบไม่ได้นะกับการภาวนา ไม่ว่าจะเป็นการเจริญเมตตาจิตหรือว่าการเจริญอันิีจะสัญญารวมทั้งการเจริญสติปัฏฐานด้วยวันนั้นเ่ถ้าเกิดต้องการผลไวๆนะต้องการทางลัดสู่การพ้นทุกเนี่ยนะมันก็ไม่มีอะไรดีกว่าการมาทำกรรมฐานการมาเจริญภาวนาและไม่มีการไม่มีการเจริญภาวนาอันใดนะที่จะ ให้ผลในการลดการละกิเลสมันได้ดีกว่า ก, การเจริญสติปัฏฐานภาวนานี่มันก็มีหลายวิธีหลายแบบแล้วก็มีจุดมุ่งหมายต่างกันนะแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยนะการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยมันเป็นทางสายตรงเนี่ยสู่การพ้นทุกข์เลยทีเดียวมันใช้คาว่าเอกยานมัคคุรนะ บางท่านก็แปลว่าทางสายเอกแต่ความหมายนั่นคือทางสายตรงนะตรงสู่ความพ้นทุกข์เมื่อมันเป็นทางสายตรงนี้จึงเรียกมันเป็นทางลัดที่เหลือก็เป็นทางอ้อมนะหลายคนก็ข อ, อทำบุญให้ทานดีกว่าบางคนก็เนี่ยขยันนะในการถวายทานบางคนก็ขยันสวดมนต์นะอันนี้มันก็ช่วยลดช่วยละได้เหมือนกันนะ แต่ว่ามันก็ยังเป็นทางอ้อมแต่ว่ามันอาจจะง่ายสำหรับคนจำนวนมากเพ้าไม่เราจะเห็นเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเน้นเรื่องของการทำบุญให้ทานเนในเรื่องของกา ร, า ร, อ, อ, การอย่างมากก็สมาทานศีลที่มากนะคือสวดมนต์นะบาง บางลัที่บางนิกายนี่าให้ทำให้สวดมนต์นี่เป็นแสนเป็นล้านจบเลยเพราะว่ามันง่ายคนที่ชอบอะไรง่ายๆเนี่ยนะให้การสวดมนต์นี่มันก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะแต่ว่าง่ายไม่ได้แปลว่าให้ผลเร็วหรือว่าให้ผลด้วยไว ที่จริงมันกลับเป็นทางอ้อมซะอีกนะนั่นถ้าเกิดว่าอยากจะให้ได้ผลไวเนี่ยนะมันก็ต้องเจริญสติเจริญสติปัฏฐานว่าเป็นทางสายตรงจเจริญเป็นทางลัดก็ได้แต่หลายคนเนี่ยพอเวลาเจริญสติไม่รู้เลยนะว่ามันนี่คือทางสายตรงคือทางอาลัดเพราะฉะนั้นพอมาเจริญสติก็ยังถามอีกนะ ว่าทำไงถึงจะจิตจะสงบได้ไวๆทําไมทำอย่างไงนะจึงจะมีสติได้เร็วๆนะยังมีทางลัดอีกไหมนะทั้งๆ ท, ที่เจริญสติเนี่ยมันก็เป็นทางลัดอยู่แล้วแต่หลายคนก็ยังไม่พอใจก็ยังอยากจะได้ทางลัดอยากจะได้วิธีการที่มันได้ผลไวๆเร็วๆอันนี้มันเป็นปัญหาของนักปฏิบัติแล้วนะ ที่จริงมันก็เป็นเป็นสิ่งที่เป็นขั้นนิยมนะของคนในยุคนี้เลยทีเดียวนะชอบอะไรที่เร็วๆร็ไวไวนะเราเดี๋ยวนี้เราเชิดชูนะบูชาความเร็วนะแล้วก็ยกย่องนะทางรัดจนกระทั่งเพียนไปเลย อย่างนี้คนไทยจนนไม่น้อยเนี่ยเรียกว่าส่วนใหญ่เลยนะตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่เนี่ยอยู่ในประเภทว่าหวังลาบลอยคอยโชคและนิยมทางลัดนะหวังลาบลอยคอยโชคและนิยมทางลัดมากกว่าที่จะพึ่งความเพียรของตัวเลือนหนังสือเนี่ยก็คิดแต่ว่าทำไงจะได้คะแนนเยอะ โดยที่ไม่ต้องเหนื่อยมีทางลัดที่จะทาให้ได้เกรดสูงๆโดยที่ไม่ต้องเหนื่อยมีไหมแล้วก็พยายามแสวงหานะทางลัดนะในการที่จะได้เกรดสูงๆเกรดเยอะๆสุดท้ายก็ไปลงเอยด้วยการลอกนะลอกการบ้านแล้วต่อหลังก็ทุจริตในห้องสอบเป็นเรื่องธรรมดานะเดี๋ยวนี้ ทำกันทั่วไปหมดเลยแม้กระทั่งในวงการสงฆนะ์เพราะว่ามันทำได้ง่ายและนี่เป็นพ่อนิยมทางรัฐนะถ้พอเรียนจบนะทำงานก็คิดแต่ว่าทงไงถึงจะรวยเร็วๆนะทํางถึงจะได้เลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งเร็วๆไวๆคิดหาหนทางรัด เสร็จแล้วก็หนีไม่พ้นนะการใช้เส้นสายการประจบประแจงนะเพราะว่าถ้ามีเส้นมีสายแล้วมันมันก็เป็นทางลัดนะสู่การเจริญก้าวหน้าในอาชีพราชการในตําแหน่งหน้าที่ที่จริงไม่ใช่ราชการเดียวบางทีก็เอกนชนด้วยถ้าไม่ใช่ปรัชนาะการไนะต่เต้าเอาดีในทางตาแหน่ง นะก็คิดว่าเนี่ยทำไงถึงจะรวยเร็วนะโดยที่ไม่ต้องเหนื่อยมีทางลัดหรือเปล่าแล้วสุดท้ายก็พบว่าทางลัดนะก็คือการคอร์รัปชันการทุจริตหรือไม่เช่นนั้นก็อบบยมุกเช่นการพ น, นันลอตเตอรี่นะอย่างอย่างอย่างบอกๆ ก, ก็ลอตเตอรี่นะเพราะมันไม่ผิดกฎหมายอันนี้เดี๋ยวนี้เราจะพบว่าเนี่ย ลอตเตอรี่ก็ดีการพนันก็ดีหวยก็ดีนี่มันเป็นมันกลายเป็นโรคระบาดนะหรือแพร่หลายเพราะคนเนี่ยคิดเหมือนกันเลยนะว่าทำไมถึงจะรวยเร็วและคิดหาทางลัดนะที่จะให้ร่ำรวยได้ไวๆไอันการทุจริตการคอร์รัปชันการ หมกมุ่นในอบาามุข ก, การพันนันหรือว่าหวยเนี่ยนะมันก็เลยกลายเป็นข้านิยมที่แพร่หลายแล้วก็หนานแน่นดาดดืนมากในสังคมไทยนี่มันเพราะว่าเราถูกปลูกฝังมาให้นิ ย, ยมทางรัดแล้วก็หวังรอบร้อยคอยโชคนั่วรู้ึงแม่จะไม่ได้ หมกมุ่นรุ่มหลมกับวิธีการดังกล่าวนะแต่ว่าไอ้ความอยากจะได้อะไรไวๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่มันฟังในจิตใจผู้คนนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีต่างๆนี่มันก็ทำให้คนเนี่ยเชื่อชูบูชาวความเร็วโทรศัพท์นะคอมพิวเตอร์เนี่ยมันต้องมันต้องบูทได้เร็วนะถึงจะขายดีถ้าบูทบูช้าเนี่ยนะ แค่สิบห้าวินาทีบางทีก็รู้สึก ง, งุดหงิดแล้วแล้วก็โหลดเนี่ยเวลาโหลดต้องโหลดเร็วๆแรงๆเนี่ยทำอะไรก็ตามนี่มันต้องเร็วๆ น, นี่มันเป็นขา้นนิยมนะที่แพร่หลายมากแล้วมันก็ฝังอยู่จิตใจของผู้คนจงทั้งแม้กระทั่งเวลามาภาวนาก็ยังอดไม่ได้นะว่าทำยังไงเนี่ย มันถึงจะให้ผลเร็วมีทางลัดไหมอยากได้ทางลัดมีสติไวๆหายโกรธเร็วๆพ้นทุกเร็วๆ เ, เนี่ยมีทางลัดทั้งทั้งที่นม้กะทั่งมาเจริญสติก็ยังก็ยังคิดหาทางลัดทั้งทั้งที่การเจริญสตินี่มันก็เป็นทางลัดอยู่แล้วทางสายตรงจริงเนี่ยถ้าหากว่าอยากจะได้ผลไวๆนะ อย่างแรกที่ต้องทําเลยคือวางความอยากให้เกิดผลไวๆซะอันนี้มันเป็นเงื่อนไขประการแรกเลยนะสาหรับคนที่เมื่อภาวนาแล้วเนี่ยอยากจะให้เกิดผลไวๆเกิดผลเร็วๆเนี่ยอย่างแรกที่ต้องทําคือต้องวางความอยากที่ว่านั้นลงเพราะว่าถ้าอยากเห็นผลไวๆเนี่ย มันก็ยิ่งเกิดผลเนิ่นช้านะมันไม่ต่างจากเวลาเราเดินทางเนี่ยถ้าเราอยากถึงที่หมายไวๆเนี่ยมันจะถึงช้านะมันช้าทั้งในแง่ของความรู้สึกและช้าในแง่ของความเป็นจริงด้วยเรงสังเกต ด, ดูนะถ้าเราอยากถึงที่หมายไวๆเนี่ยเราจะรู้สึกเลยนะว่าแต่ละ นาทีแต่ละชั่วโมงนี่มันผ่านไปอย่างเชื่องช้ามากกว่าจะถึงที่หมายยิ่งอยากจะถึงไวๆเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงบนนึกบนในใจเนี่ยมันก็ย่งรู้สึกว่าถึงช้าอย่างปีสองห้าหสเนี่ยนะหลายคนรู้สึกว่ามันผ่านไปอย่างเชื่องช้ามากที่จริงมันก็มันก็ไม่มันก็ไม่ด้เชื่องช้ากปกับปี63หรือ62สองหรอกนะแต่เป็นเพราะเราอยากจะให ปีหกมันผ่านไปไปไวเพราะว่ามันเต็มไปด้วยความทุกข์ความยากลาบากมากเฝ้ารอคอยมาเลยถึงสามสิบเอธันวาหกสีสักทียิ่งอยากให้มันถึงไวๆเนี่ยเราก็ยิ่งยุ่งรู้สึกว่ามันผ่านไปอย่างเชิงช้าการเดินทางกันการนั่งย้ายถึงไวๆเนี่ยก็กลับรู้สึกว่ามันถึงช้าและบางทีมันถึงช้าจริงๆด้วยนะนะเพราะว่า พอเราย้ายถึงวัยวาเราก็จะเร่งความเร็วพอเร่งความเร็วเข้านะมันก็จะเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางขับรถเนี่ยแทนที่จะขับรถ80ร้อยกิโเมตรตชั่วโมงขับเร่ง150บางทีรถยางแตกหรือเกิดอุบัติเหตุก็กลายเป็นว่ายิ่งอยากถึงวัยกลับถึงช้า ไม่เฉพาะขับรถนะเวลาเดินกันมากันนะธรรมญาตราเนี่ยหลายคนที่เดินธรรมยาตราจะสังเกตหรือรู้สึกได้นะยิ่งย้ายถึงที่หมายไวไวเนีมันกลับรู้สึกรู้สึกถึงช้าและบางทีก็ไม่ใช่แค่รู้สึกแต่มันถึงช้าจริงๆนะเพราะว่าเท้าหรือขาเนี่เดี่ยงซะก่อนนะอยากจะรีบก้าวไวไก้าวไวไวโดยที่ไม่ยอมพัก เทามก็เลยหรือขาก็เลยแย่เลยมันเป็นอย่างงี้นะยิ่งอยากให้ถึงไวๆก็กลับถึงช้ายิ่งอยากได้ก็ยิ่งไม่ได้แต่ทางตรงข้ามนะยิ่งละกลับยิ่งได้นะยิ่งให้ความสุขกลับได้รับความสุขเวลาอยากจะได้ความสุขเนี่ยนะถ้าเราอยากได้ความสุขเนี่ย ทำเท่าไหร่เนี่ยความสุขมันก็ยิ่งเหินห่างยิ่งไม่ได้แต่พอยิ่งให้ความสุขแก่ผู้อื่นนะเรากับมีความสุขมากขึ้นอย่างที่พระเจ้าตรัสว่านเนี่ยผู้ให้ความสุขย้อนได้รับความสุขเวลาภาวนาเนี่ยยิ่งอยากสงบนยะยิ่งไม่สงบนะยิ่งอยากสงบเนี่ยจิตมันก็ยิ่งฟุ้งเข้าไปใหญ่หรือว่าจิตมันก็ยิ่งเครียด พอพออยากสงบมันก็ไปจ้องไปเพ่งไปบังคับจิตจิตมันก็ยิ่งพยจดยิ่งปั่นป่วนเข้าไปใหญ่นะหลายคนจะพบได้เลยนะยิ่งอยากสงบมันยิ่งไม่สงบนะเวลาเจ็บป่วยเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็สอนนะอย่าอยากหายนะหลวงปู่คาวท่านบอกเนี่ยเวลาเจ็บป่วยเนี่ยถ้าอยากหายตกทุกขเวทนาเนี่ยมันยิ่งทุกขเข้าไปใหญ่เลย เพราะว่ามันเป็นตัวเพิ่มสมุทัไทยซึ่งเป็นตัวผลิตความทุกข์นะหลายคนจะสังเกตได้เนี่ยยิ่งอยากหายปวดหายปว่วยมันยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่หรือยิ่งปวดหนักขึ้นเพราะว่ามันทำให้จิตนิ่เครียดผิดหวังง่ายมันไม่หายปวดสักทีก็รู้สึกผิดหวังรู้สึกเครียดนะเกิดโทสะ นี่มัซ้ําเติมทำให้ป่วยหรือปวดมากขึ้นหลวปูค่คาท่านบอกอยาอยาอยากหายนะเพราะถ้าอยากหายมันยิ่งทุกข์ถ้าถ้าอยากให้อยากเห็นนะความจริงจากทุกขเวทนาที่เกิดกับกายและใจดีกว่านี่เป็นธรรมดานะยิ่งอยากเท่าไหร่มันก็ยิ่งไม่ได้แต่พอไม่อยากนะมันกลับได้นะ ยิ่งละก็ยิ่งได้ถ้าอยากให้มีความสุขเนี่ยก็ยิ่งละความสุขหรือว่าให้ความสุขกับผู้อื่นนะความสุขก็จะเกิดขึ้นกับตัวเองยิ่งอยากสงบนะก็ยิ่งไม่สงบแต่พอลืมความอยากนั้นลงนะมันกลับสงบได้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสาหรับคนที่เวลาภาวนาเนี่ยนะไม่ว่าภาวนาหวังอะไรก็ตามนะ หวังให้รู้สึกตัวไวมีสติเร็วๆหรือว่าสงบเร็วๆเนี่ยนะต้องวางความอยากลงนะวางความอยากลงอย่าไปรอนะชะเง้อหาผลคือความสงบซึ่งอยู่ข้างหน้าแต่ให้มาอยู่กับปัจจุบันแล้วคราวนี้พอวางความอยากลงแล้วนะ ต้องมาเพิ่มตัวหนึ่งนะคือตัววิริยะความเพียรและความเพียรเนี่ยเป็นตัวสําคัญมากเลยเพียรมากนะมันก็บรรลุถึงจุดหมายได้เร็วถ้าเพียร น, น้อยนะก็บรรลุถึงจุดหมายได้ช้าอันนี้มันธรรมดามากเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ต้องการทางลัดนะหรือต้องการเห็นผลไวๆเนี่ยมันไม่มีทางอื่น น, ะนอกจาก ขยันทำความเพียรแต่ทำความเพียรโดยที่ไม่หมกมุ่นอยู่ความอยากนะไม่ใช่เพียรไปก็อยากไปเพียรไปก็อยากไปนะวางความอยากลงและเอาใจมาอยู่กับความเพียรสําคัญที่สุดเลยมันไม่มีทางอื่นนะนอกจากความขยันมันเพียรลองนึกถึงตอนที่เราเป็นเด็กนะอนุบาลเนี่ย จะเขียนกอไก่ขอไข่ a b c เนี่ยมันไม่เป็นตัวเลยทำไมถึงจะเขียนเป็นตัวนะก็ต้องเขียนเยอะๆเขียนบ่อยๆเขียนบ่อยๆเขียนเป็นร้อยเป็นพันครั้งถึงจะเริ่มเป็นตัวแล้วพอเราเพียรพยายามเขียนไปเรื่อยๆมันจะเริ่มสวยแล้วมันไม่มีทางลดนะที่จะเขียนให้เป็นตัวได้นอกจากทำความเพียรจริงอยู่นะมันมีเวลาเราไปเรียนหนังสือเนี่ยมันมี การเรียนรัฐนะเรียนรัฐนะเรียนรัฐเนี่ยมันก็มันก็มีจริงนะมันช่วยทาให้เรามีความรู้ได้เร็วมก็เป็นทางรัฐหนึ่งแต่ว่าทางรัฐเนี่ยนะไม่ว่าจะเรียนรัดหรือปฏิบัติรัฐเนี่ยมันก็ช่วยได้บ้างที่เหลือเนี่ยคือความขยันแม้แต่นักวิทยาศาสตร์ที่ประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงนะอย่างไอน์สไตน์เนี่ย ก็ยังบอกเลยว่าอัจฉริยะเนี่ยมีผล 1% นึนะเกเนี่ยคือความเพียรซึ่งนําไปสู่ความสําเร็จบางคนบางทีเราคิดว่าอัจฉริยะความอัจฉริยะยจะเป็นทางลัดไปสู่ความสําเร็จจริงไม่ใช่นะความเพียรมากกว่ามีต้นทุนดีแค่ไหนแต่ถ้าไม่มีความเพียรนะก็ไม่มีทางสําเร็จนะ เดินทางก็ถึงจุดหมายชา้าอย่างนิทานกระต่ายกับเต่าเนี่ยนะอกระต่ายนี่มันมันวิ่งได้เร็วนะแต่สุดท้ายมันก็ถึงช้าวกว่าเต่านะเพราะเต่ามีความเพียรเนะต่าเดินช้าแต่ว่าไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะไม่หยุดนะขณะที่เต่านี่ประมาทแล้วก็ขณะที่กระต่ายนี่ประมาทแล้วก็หยุดพักถลเอถลบ่อย นั่นถือแม้ต้นทุนดีนะเช่นอัจฉริยะหรือว่ามีความเก่งปราดเปรียวหรือว่ามีความว่องไวนะแต่ว่าสิ่งสำคัญกว่านั้นคือความเพียรความพยายามความไม่ย่อท้อและประการสุดท้ายนะสิ่งที่ช่วยทำให้เกิดผลได้ไว้นะก็คือการจับหลักได้ ทำเนี่ยมันต้องจับหลักให้ได้ไม่ว่าจะเรียนหนังสือหรือปฏิบัติเนี่ยจับหลักให้ได้อย่างเช่นการปฏิบัติแบบหลงวงพ่อเทียนซึ่งก็เป็นทางรัดนะเป็นวิธีลัดนะหลักของการปฏิบัติคืออะไรนะที่ท่านสอนมาคือว่าทําเล่นๆทําเล่นๆทําเล่นๆคือการทําโดยที่ไม่อยากนะเพราะอยากเมื่อไหร่นี่มันจะไม่เล่นละมันจะเอาจริงเอาจังมันจะกลายเป็นหน้าดํำข้ามเคร่ง ทำเล่นๆแต่ทำจริงๆหรือทำเล่นๆแต่ทำเรื่อยๆทำไม่หยุดแล้วก็อย่าไปคิดไปควบคุมความคิดนะมันจะคิดมากก็ช่างมันท่านบอกเลยนะว่ายิ่งคิดนี้ยิ่งรู้นยิ่งรู้นี่คือรู้ทันความคิดอย่าไปรังเกียจความคิดฟุ้งซ่านะนะเปเพราะเราไปรังเกียจมันที่เรารังเกียจเพราะเราอยากจะให้จิตมาสงบ เราก็เลยไปกดข่มความคิดมันก็เลยทําให้เนินร์นช้าเพราะว่ายิ่งกดข่มเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งเครียดนะบางคนต้องเลิกทําเลยนะเพราะว่าร่างกายนี่มันไม่ไหวปวดหัวแน่นหน้าอกบางทีมือค้างบางคนมือสั่นนะทำงานอะไรก็ไม่ได้เลยมือสั่นเนี่ยเพราะว่าเกรงมากเพราะว่าตั้งใจทํามาก แล้วเพราะที่ตั้งใจมาเพราะอยากได้อยากเห็นผลไวๆอันนี้มันเขาไม่ไม่ทำเล่นๆ น, นะแล้วก็พยายามไปบังคับควบคุมจิตโดยเพราะควบคุมความคิดเนี่ยจับหลักได้คือว่าเออมันมันจะเกิดขึ้นก็ช่างมันเพียงแต่เห็นนะเพียงแต่เห็นมันก็พอแล้วไม่ค่อยไปเป็นหรือว่ารู้ซื่อเนี่ยนะรู้ซื่อ ความพี่เกิดขึ้นก็รู้นะรู้เฉยๆโดยที่ไม่ไหลาตามมันแล้วก็ไม่ไปกดข่มมันนี่ถ้าจับหลักได้เนี่ยผลมันก็จะเกิดขึ้นได้ไวนะมันไม่มีทางลัดนอกไปจากนี้แล้วงั้นการปล่อยวางความอยากนะให้เกิดผลไวๆเห็นผลเร็วๆก็ดีความเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องก็ดีรวมทงการจับหลักให้ดีนันะ่นแหละที่มันจะช่วยทำให้อ่าเกิดผลได้เร็วโดยที่ ไม่ได้รอไม่ได้รอคอยอ่าคนี้พุทนนี้นะอก